จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29มีนาคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้าง ที่พึ่งทางใจกันเพราะที่พึ่งทางใจนี้ต้องมาที่วัดที่อื่นไม่มีไม่มีที่พึ่งทางใจที่อื่นเป็นที่พึ่งทางร่างกายที่วัดเป็นที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าที่พึ่งทางร่างกาย ที่พึ่งทางร่างกายเป็นเพียงที่พึ่งชั่วคราวแต่ที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งที่ถาวรและไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีที่จะเลิศเท่ากับพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งที่สูงสุดพอสามารถกำจัด ภัยอันตรายต่างๆไม่ให้มาทําลายชีวิตจิตใจของพวกเราถ้าเปรียบเหมือนกับบริษัทประกันภัยพระรัตนตรัยก็เป็นเหมือนประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองทุกอย่างคุ้มครองการเสียหายทางทรัพย์สินทางชีวิตทางการเจ็บไข้ได้ป่วยมีภัยอย่างไร ปกักการภัยนี้จะรับภาระให้หมดฉันใดทุกภัยทางด้านจิตใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากการแก่ก็ดีการเจ็บก็ดีการตายก็ดีการสูญเสียการพัาดพลาดจากกันก็ดีถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วจะ ไม่มีความทุกข์จะรู้สึกเฉยๆจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรที่พึ่งทางใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันคือที่พึ่งภายนอกและที่พึ่งภายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสองแบบแบบที่อยู่ข้างนอก กับแบบที่อยู่ข้างในแบบที่อยู่ข้างนอกก็คือพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้ที่เราปดิสฐานตามบ้านหรือที่เราเอามาห้อยคล้องคออย่างนี้เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าภายนอกพระธรรมคาสอนภายนอกก็คือหนังสือธรมอธรมะต่างๆสื่อธรรมะต่างๆที่ เราอ่านกันเราดูกันเรียกว่าเป็นธรรมะภายนอกพระธรรมภายนอกพระสงฆ์ภายนอกก็คือพระภิกษุที่บวชหรือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ได้ดรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลกันบุคคลเหล่านี้ท่าเรียกว่าพระสงฆ์ภายนอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกนี้ ยังไม่สามารถที่จะมาปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆที่จะมาเหยียบย่ำทำลายชีวิตจิตใจของพวกเราได้เหมือนกับยารักษาโรคยารักษาโรคก็มีสองแบบยาที่อยู่ข้างนอกร่างกายและยาที่อยู่ภายในร่างกายยาที่อยู่ภายนอกของร่างกาย ไม่สามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เช่นตอนนี้มียาตามร้านขายยาเต็มไปหมดเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราให้มียาตามร้านขายยามากน้อยเพียงไรยาเหล่านั้นก็จะไม่สามารถมารักษาโาครคภัยไข้เจ็บของเราได้เราต้องไปซื้อยามารับประทานเอายาเข้ามาในร่างกาย ยาถึงจะสามารถทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายได้ฉันใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองปกป้องรักษาไม่ให้ทุกภัยต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายชีวิตจิตใจของเราได้ แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายในใจนี้จะสามารถปกป้องคุ้มครองได้ดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะมาปกป้องคุ้มครองชีวิตจิตใจของพวกเราเราต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกเข้ามาสู่ภายในใจวิธีที่จะน้อมเอาเข้ามา ก็คือเราต้องศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์พอเราได้ปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเข้ามาอยู่ภายในใจของเราพอมาอยู่ภายในใจของเรา แล้วทีนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่ทำให้เรามีความทุกข์ใจเสียใจเศร้าโศกอะไรอาวร์หวาดกลัวกังวลกับเหตุการณ์ต่างๆเลยนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจ การที่จะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาภายในใจได้เราก็ต้องศึกษาดูว่าพระพุทธคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้รู้จักวิธีที่จะน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของเราเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายทางร่างกายเราก็ต้องไปร้านขายยา ไปปรึกษากับคนขายยาไปปรึกษากับหมอเล่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หมอหรือให้คนขายยาฟังพอคนขายยาเขารู้ว่าโรคเราเป็นอะไรเขาก็จะได้ไปหายาที่ถูกกับโรคของเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการศึกษาพอาศึกษาแล้วก็จะได้รู้ว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะรักษาโรคภัยนั้นให้หายไปได้ โรคเราก็มีโรคของความทุกข์ใจโรคของความทุกข์ใจนี้อยู่ในใจของเราและมีเหตุที่ทำให้โรคนี้เกิดขึ้นมาถ้าเราได้ศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงค์แล้วเราก็จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นใครพระอริยสงสารุปท่านเป็นใครพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ทาสอนให้เราทำอย่างไรถึงจะทำให้เราหายจากความทุกข์ต่างๆพระพุทธเจ้าก็คือบุคคลแรกที่ได้ส่งคนพบวิธีรักษาโรคของความทุกข์ใจให้หายได้อย่างเด็ดขาดก่อนหน้านั้นไม่มีใครรู้จักรักษาโรคของความทุกข์ใจได้เลยแม้แต่คนเดียวมีคนพยายามสแสวงหา การอยู่มาทุกยุคทุกสมัยแต่ไม่มีใครที่จะมีความรู้ความสามารถพอที่จะค้นพบวิธีที่จะรักษาโรคของความทุกข์ใจนี้ให้หายไปได้เท่าที่หาได้ก็เพียงแต่รักษาให้หายไปชั่วคราวแต่ไม่มีใครสามารถที่จะ รักษาให้หายได้อย่างถาวรในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ไปศึกษาตามสำนักต่างๆที่สอนวิธีดับความทุกข์ใจต่างๆแต่เขาก็สอนได้เพียงระดับของฌานของสมาธิเวลาเข้าไปในฌานเข้าไปในสมาธิความทุกข์ใจต่างๆก็จะหายไปหมด แต่พอออกจากชานออกสมาธิมามาพบกับเหตุการณ์ต่างๆมาคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายคิดถึงการพัาดากจากกันความทุกข์ก็กลับคืนขึ้นมาใหม่ไม่มีใครสามารถที่จะดับความทุกข์เวลาอยู่ข้างนอกของสมาธิได้พระพุทธเจ้าเลยต้อง ขวนขวายศึกษาค้นคว้าหาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบวิธีที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บทางใจโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็คือทรงศึกษาหาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆขึ้นมาพระองค์ก็ทรงค้นพบว่าเหตุที่ทำให้ เกิดความทุกข์ใจต่างๆขึ้นมาก็คือความอยากต่างๆนี่เองเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเวลาเกิดความอยากเหล่า น, นี้ขึ้นมาใจก็จะกระวนกวายกะสับกสายเวลาสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสไปก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันอันนี้พระพุทธเจ้าสองคนพบว่าเกิดจากความอยาก ศึกษาต่อไปว่าเราจะทํายังไงถึงจะหยุดความอยากได้การจะหยุดความอยากได้ก็ต้องทําใจให้สงบใจสงบแล้วก็ต้องสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปอยากได้อะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะไม่อยู่กับใจไปตลอด ถ้าใจไปชอบไปรักไปอยากได้สิ่งต่างๆมาเป็นที่พึ่งของใจเวลาสิ่งต่างๆนั้นเสื่อมไปหมดไปใจก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจนี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงค้นพบว่าวิธีที่เราจะทำให้ไม่มีความทุกข์ภายในใจเราต้องละความอยากให้ได้ ในาการที่เราจะรักความอย่ากให้ได้เราต้องมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์กันเพราะเขาไม่เที่ยงเขามีวันมึดเสื่อมมีวันหมดไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธีดาเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจะต้องมีวันหมดไป จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเวลาที่สิ่งเหล่านี้หมดไปสิ้นสุดลงไปใจจะมีอะไรพึ่งพอใจไม่มีอะไรพึ่งใจก็ร้องโผงร้องห้าเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าคอยสอนใจคอยเตือนใจคอยทำใจให้สงบอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่หลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆเพราะใจมีที่พึ่ง ที่พึ่งทางใจก็คือความสงบนี้ความสงบนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าเป็นที่พึ่งที่สูงสุดไม่มีที่พึ่งอันใดที่จะดีเท่ากับความสงบของใจเวลาใจสงบแล้วจะไม่มีอะไรมาทำให้ใจเดือดร้อนได้เลยจะไม่มีอะไรจะมาทำให้ใจทุกข์ได้เลยและสิ่งที่จะมาทำลายความสงบของใจ ก็คือความอยากนี่เองดังนั้นหน้าที่ของพวกเราหลังจากที่เราสามารถทำใจให้สงบได้แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือคอยป้องกันไม่ให้ความอยากมาทำลายใจของเรามาทำให้ใจของเรากระเพื่องทำให้ใจของเราวุ่นวายขึ้นมาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ความอยากเข้ามาทำลาย ก็คือต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นเป็นของชั่วคราวไม่สามารถที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดจะไม่สามารถให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดพอเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราไปได้ตลอดเราก็จะได้ไม่ต้องไป ไปหามาเพราะหามาแล้วแทนที่จะได้ความสุขกลับจะต้องได้ความทุกข์ตามมาไม่เชื่อลองพิจารณาดูสิ่งต่างๆที่เราได้กันนี้มีอะไรบ้างที่มันไม่ทำให้เราทุกข์ใจกันเรื่องต้นเรามาเกิดนี้เราก็มาได้ร่างกายพอได้ร่างกายเราก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายแล้วกลัวร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวร่างกายจะอดอยากขาดแคลน ตัวร่างกายจะตายเนี่ยอันนี้ก็เป็นความทุกข์ทังนั้นถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องของร่างกายทุกข์ของร่างกายแล้วไม่พอยังไปทุกข์กับเรื่องอื่นอีกยังไปหาทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองหายศรธาบรรดาศักด์หาตำแหน่งต่างๆหารางวี่รางวัลการยกย่องสรรเสริญ ต, ต่างๆแล้วก็ไปหารูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆ มาเสพกันมาดูกันมาฟังกันมาดื่มกันมารับประทานกันเพราะคิดว่าจะให้ความสุขแต่ลืมไปว่าเขาให้ความสุขไม่นานเขาก็จะต้องจากเราไปพอจากไปแล้วเป็นยังไงเวลาสามีจากไปแล้วเป็นอย่างไรเวลาภรรยาจากไปเป็นอย่างไรเวลาลูกจากไปเป็นอย่างไร เวลาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจากไปเป็นอย่างไรเวลาสูญเสียตำแหน่งสูญเสียเกียรติยศเป็นอย่างไรเวลาสูญเสียการยกย่องสรรเสริญเยือนยอแทนที่จะคนยกย่องกับมีคนด่าว่ากล่าวควลหานนินทาอย่างนี้เป็นอย่างไรเวลาไม่ได้ดูสิ่งที่อยากจะดูเวลาไม่ได้ฟังสิ่งที่อยากจะฟัง เวลาไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานสิ่งที่อยากจะดื่มอยากจะรับประทานเป็นอย่างไรก็เป็นแต่ความทุกข์เท่านั้นเองทุกข์ทรมานใจนี่แหละเพราะความหลงหลอกให้เราไปหาที่พึ่งที่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งแทนที่จะเป็นที่พึ่งกับเป็นภัยกับชีวิตจิตใจของเราที่พึ่งที่แท้จริงที่พระพุทธเจา้าสองคนพบ ที่เป็นที่พึ่งที่เป็นมิตรที่แท้จริง mm hmm. ก็คือความสงบของใจนี่เองถ้าเราสร้างความสงบของใจขึ้นมาได้แล้วเราก็จะมีที่พึ่งเราจะมีความสุขเป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งหลายเหนือกับความสุขที่ได้จากการมีสามี mm hmm. การมีภรรยา mm hmm. การมีบุตรมีทิดา mm hmm. การมีทรัพย์ mm hmm. การมียศถาบรรดาศักดิ์ การมีผู้ยกย่องสรรเสริญเยืนยอการมีรูปเสียงกลิ่นรสผลพระสิ่งเหล่านี้ความสุขเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้เพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้ให้ความอิ่มให้ความพอนั่นเองแต่ความสุขในรูปแบบอื่นนี้แทนที่จะให้ความพอกลับให้ความอยากเพิ่มขึ้นมา พ อ, อไปเที่ยววันนี้สนุกสนานดีพรุ่งนี้ก็อยากจะออกไปเที่ยวอีกถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวก็เสียอกเสียใจเศร้าส้อยหอยเหงาว้าเหวงุดหงิดลาคานใจขึ้นมานี่คือความแตกต่างระหว่างที่พึ่งที่แท้จริงกับที่พึ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงคือที่พึ่งปลอมที่พึ่งปลอมนี้จะทำให้เราหิว หายอยากได้อยู่เรื่อยๆแต่ที่พ่่ทีแท้จริงนี้จะทําให้เรามีแต่ความพอคนที่พอกับคนที่ไม่พอใครจะสบายกว่ากันคนที่ไม่พอก็ต้องไปเลื่นลงต่อไปเราให้มีกี่ร้อยล้านพันล้านถ้ายังไม่พอก็ยังต้องหาอยู่ดั่งแต่คนที่มีแค่สิบบาท20สบบาทถ้าพอแล้วก็ไม่ต้องหาอีก เป็นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกนี้ท่านมีเพียงสมบัติเพียง8ชิ้นเท่านั้นท่านบอกว่าพอแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วสมบัติของพระพุทธเจ้า8ดชิ้นคืออะไรก็คือบาดหนึ่งใบผ้าจีวรสามผืนเป็นสี่ชิ้นที่ประคตเอวที่รัดเอวหนึ่งชิ้นเป็นห้าชิ้นมีโกนหนึ่งชิ้นเป็นหกชิ้นเข็นกระได้ เป็นเจ็ดชิ้นแล้วที่กรองน้ำเป็นแปดชิ้นที่ต้องกรองน้ำเพราะว่าสมัยก่อนอยู่ในป่าต้องไปตักน้ำตามลำธารลำห้วยที่มีตัวตัวสัตว์อยู่ในน้ำถ้าตัดขึ้นมาโดยไม่มีที่กรอง<ม>ก็จะเอาตัวสัตว์มาดื่มมารับประทานก็จะเป็นการปานาติบาเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ผระสมจึงต้องมีที่กรองน้าในสมัยก่อนแต่สมัยนี้เราอยู่ในยุคทันสมัยน้ำที่เราดื่มนี้ได้รับการกรองมาแล้วจึงไม่ต้องใช้ที่กรองน้าเหมือนสมัยก่อนแต่นี่แหละคือสมบัติของผู้ที่มีความพอแล้วมีเท่านั้นก็มีความสุขยิ่งกว่าคนที่มีร้อยล้านหนึ่งล้านแสนล้านเสียอีกเพราะเงินทองนี้ ต่อให้มีมากน้อยเพียงไรก็ตามจะไม่สามารถทําให้ใจพอได้ทําให้ใจอิ่มได้จะนอกจากนั้นยังสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกเวลามีมากๆเวลาคิดถึงเวลาที่จะตายไปนี่จะเอาเงินเหล่านี้ไปให้ใครดีให้คนนั้นก็เสียดายให้คนนี้ก็เสียดาย จะเอาไปเองก็เอาไปไม่ได้ก็เลยมีแต่ความทุกข์กับสมบัติแทนที่จะมีความสุขกลับมาต้องมาทุกข์แล้วเวลาที่จะร่องจากไปก็จากด้วยความทุกข์ใจถากด้วยความเสียใจนี่แหละเงินทองจึงไม่ใช่เป็นที่พึ่งลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกินลดผลธภาไม่ใช่ที่พึ่ง แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งเพราะร่างกายของเรานี้มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดแต่มีความสงบของใจนี้แหละที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายไม่มีวันห่างไกลจากใจของเราถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาถ้าเราสร้างความสงบขึ้นมาได้แล้วแล้วรู้จักวิธีรักษา ความสงบนี้ให้อยู่กับเราต่อไปเราก็จะมีความสงบเป็นที่พึ่งไปตลอดเหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ที่พึ่งอันนี้ท่านไม่ต้องการอะไรเพราะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้นอกจากความสงบนี้เท่านั้นท่านจึงไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรมีเพียงแต่ความสงบเท่านั้นพอพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านปฏิบัติเพื่อสร้างความสงบขึ้นมาภายในใจแล้วก็รักษาความสงบนั้นพอท่านรักษาได้แล้วท่านก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไปความสง บ, บอยู่กับใจไปอย่างถาวรแม้ในปัจจุบันในขณะนี้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ยังมีความสงบนี้อยู่มีความสุขตลอดเวลา ที่เรียกว่าปรละมังสุขขังบรมมัสุขอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของพระอาจาลยนตาสาวกตลอดเวลาถึงแม้จะไม่มีร่างกายกับดีกว่ามีพวกเรามีร่างกายกับแย่กว่าผู้ที่ไม่มีร่างกายพอมีร่างกายก็ต้องแบกภาระของร่างกายต้องเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความ แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายของร่างกายคนฉลาดจึงไม่กลับมาเกิดอีกเพราะคนชลาดรู้ว่าทุกย่อมมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความแก่ความเจ็บความตายมีการพัดพลาดจากการอยู่นี่แหละคือสาร ะ, ะที่พึ่งของพวกเรา ถ้าเราอยากจะได้สาณะเป็นที่พึ่งเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ทำกันเราต้องทำตามคำสอนที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันท่านสอนเราสามหัวข้อใหญ่ใ ห, ให้พวกเราจำ ง, ง่ายๆเพื่อจะได้ไม่ลืม คือข้อที่หนึ่งก็คือให้ละ ก, การกระทาบาปทั้งปวงอย่าทําบาปรักษาศีลห้าไว้ให้ได้ดีแล้วความทุกข์จะน้อยลงไปแล้วให้ทําบุญทํากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมบุญก็มีหลายรูปแบบด้วยกันความกตัญญูกะตะเวทีความมีสัมมาคารวะความเมตตากรุณาปราณีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันนี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราควรที่จะทำกันอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้ใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมานั่นเองแล้วประการที่สาก็สอนให้พวกเราชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชาระตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ใจต่างๆก็คือความอยากต่างๆนั่นเองมีอยู่สาชนิดด้วยกัน คือความอยากในการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโลทธภความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากสวยอยากงามอยากเด่นอยากดังอยากร่ำอยากรวยถ้ามีความอยากเหล่านี้แล้วจะทำให้ใจวุ่นวายกับการขวนขวายกับการแสวงหากับการรักษาและกับการสูญเสีย เพราะว่าไม่ว่าจะได้มามากน้อยเพียงไรในที่สุดก็ต้องเสียไปแม้แต่ความงามก็เหมือนกันเสริมความงามขนาดไหนไม่นานมันก็ต้องเหี่ยวมันต้องย่นในนานมันก็ต้องกลายเป็นคนแก่ไปเสริมไปถ้าเป็นแทบตายก็ไม่สามารถที่จะรักษาความงามไว้ได้ร่ํารวยขนาดไหนในที่สุดก็ต้องตายจากมันไป เป็นใจเป็นโตขนาดไหนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลับมาเป็นคนธรรมดานี่คือเรื่องของความอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากเพราะอยากแล้วใจจะวุ่นวายใจอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องดิ้นหนุนต่อสู้แล้วก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับผู้อื่นเพราะต่างฝ่ายต่างก็อยากจะได้สิ่งเดียวกัน เขาก็อยากจะเป็นใหญ่เราก็อยากจะเป็นใหญ่ในที่สุดก็เลยต้องไปตีกันไปฆ่ากันพอฆ่ากันแล้วก็จองเวรจองกรรมกันติดคุกติดตารางกันหรือถูกจบทำคุกตลอดชีวิตหรือโดนโทษประหารชีวิตไปนี่คือความทุกข์ที่ตามมาจากการมีความอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตและความอยากชนิดที่สามก็คือ อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ให้คนดา่าเราว่าเราอันนี้ก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึง่งเวลาใครดา่าเรานี่รู้สึกอย่างไรโกรธขึ้นมาแค้นขึ้นมาเดือดร้อนขึ้นมาทันทีความจริงคนเขาจะด่าเราอย่างไงถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่าเราเราจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะปากเป็นของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ เาอยากจะดา่าก็ปล่อยเขาด่าไปเรามีหูแล้วก็ฟังไปเท่านั้นเองก็จบไม่เห็นมีป <c oughs> ัญหาอะไรแต่พอมีความอยากไม่ให้เขาด่าขึ้นมา <c oughs> ก็เดือดร้อนขึ้นมาทันทีเ <c oughs> ช่นเดียวกับความอยากไม่แก่ <c oughs> อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอร่างกายแก่ <c oughs> ก็เดือดร้อนขึ้นมาพอร่างกายเจ็บก็เดือดร้อนขึ้นมาพอร่างกายจะตายก็เดือดร้อนขึ้นมาทันที ความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนเพราะคนที่เขาแก่เขาเจ็บเขาตายเขาไม่เดือดร้อนก็มีเช่น <ention> พระพุทธเจ้านี้ท่านไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายแต่พวกเราเดือดร้อนเพราะอะไรเ <un S 1> พราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองถ้าเรายอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้รู้ว่าห้ามมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ถ้ายอมรับได้ เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราจะไม่เดือดร้อนเหมือนกับเราไม่ทุกข์กับฝนฟ้าอากาศเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไปเปลี่ยนแปลงฝนฟ้าอากาศไม่ได้ไปห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้ร่างกายก็เหมือนฝนนี่แหละไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ได้ไม่ให้มันเจ็บไม่ได้ไม่ให้มันตายไม่ได้เราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทาไมอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆมันก็แก่เจ็บตายอยู่ดี เหมือนกับฝนฟ้าอากาศอยากไม่ให้มันตกมันก็ตกอยู่ดีถ้าอยากไม่ให้มันตกก็ทุกขึ้นมาอีกดังนั้นขอให้รู้ว่าความทุกข์ของพวกเราอยู่ที่ความอยากสามข้อนี้แล้วใช้ปัจ ญ, ญาใช้เหตุผลมาระงับดับมันเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับเราตลอดเห็นว่าเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ เวลามันจะเป็นอะไรขึ้นมาเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้อย่าไปอย่าแล้วเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจแล้วเราจะมีความสุขไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานี้จะไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจได้เลยนี่แหละคือการสร้างสาระสร้างที่พึง่งด้วยการศึกษาแล้วนาเอาคำสอนที่เราศึกษานี้มาปฏิบัติ มาทำใจให้สงบมาทำใจให้ละความอยากต่างๆให้หมดไปพอทำได้แล้วเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอาหลานตสาวกจะมีความสงบเป็นที่พึ่งไปตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้